พุทธวสวัสดีค่ะท่านฟอนที่ครบค่ะรายการสันสมีสนทนาในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่สองของปีสอง7ันห้อยห้าสิบเจ็ดนะคะเี่นั้นก็มาพบ ก, กับท่านเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้เป็นวันที่อยากจะกรับเรียนถามพระอัจารย์พรบุนญาพิบุณโนอาวัตปาราสายศสอุดรธานีนะคะที่เป็น ซึ่งมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนอะไรเอาไว้ถึงเรื่องการที่จะดับความร้อนอกร้อนใจเราไปพบกับท่านเลยค่ะกราบนักสการค่ะเห็นพานค่ะคนเรานี่ยก็แปลกนะคะ บ, บางทีสถานที่สภาพแวดล้อมผู้คนรอบข้างคดีดีแต่ก็ไม่ไวายที่จะร้อนอกร้อนใจได้ อระทธองค์ตรัดไปอย่างไรคะอันนี้เป็นเรื่องของของการรับรู้นะคุณยมติวคือว่าไม่ว่าจะตาสัมผัสทางตาทางหูอย่างเช่นว่าเราเห็นรูปอยู่ในอากาศสภาพอย่างนี้กินอาหารประเภทนี้เนี่ยแต่ว่าไอ้เจ้าลิ้นหรือว่าตาหรือหูเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่รับรู้สิ่งที่จะไปรับรู้เนี่ยคือที่จิตจิตจะเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้ในที่นี้พระพุทธเาก็มีสับ ที่เรียกว่าเป็นพุทธพจน์ะนะแต่บอกว่า<ช>อินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นที่ล่นไปสู่จิตอินทรีย์ในที่นี้ก็คือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจนตจิตตั้งหากที่จะเข้าไปรับรู้อายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าตามบ้านนอกบ้านนานคนที่ อ, อ, อาจจะไม่ค่อยมีอันจะกิญเนี่ยเขาก็จะอยู่บ้านธรรมดาธรรมดาฝาเขาก็ก่อด้วยอิฐบล็อกธรรมดาไม่ได้ฉาบไม่ได้อะไรด้วยซ้ําไม่ได้ทาสีแต่ว่าเขาก็พอใจในความเป็นอยู่อย่างนั้น เขาก็หลับได้อย่างสบายนะครอบครัวเขาก็ยกไว้แยกไว้อีต่างหากอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาพอใจอยู่ตรงนั้นเขาก็สบายใจในระดับหนึ่งนะความเป็นอยู่ในระดับนี้เปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในเมืองนะอยู่คอนโดหลังละ 20-30 าล้านใจกลางเมืองฝนะานี่ก่อด้วยอิฐมวลเบากันความร้อนอย่างดนะีชาบเรียบร้อยสวยงามปูเขาเรียกว่าบุวอลเปเปอร์อีต่างหาก มีไฟดาวไลท์อย่างดีสวยงามแ ต, แต่คิดว่าแหมฉันซื้อคอนโดลหลังนี้แพงเกินไปแม่ไม่น่าจะไม่ต้องเสียเงินขนาดนี้เขาก็หลับตรงนั้นเนี่ยอย่างไม่สบายใจนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาดู่มันไม่ได้จะช่วยทําให้สบายใจได้มันอยู่ที่จิตต่าที่จะเข้าไปรับรู้ตรงนี้ค่ะก็เธอกับว่าความร้อนทั้งหลายอันเกิดแต่ ความรู้สึกไปกระทบนั่นกระทบนี่โดยตาโดยหูโดยจมูกลิ้นกายใจถ้าเราจะสังเกตซึ่งแต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยเคยสังเกตแม้กระทั่งดิฉันเนี่ยนะคะอ่าไปสัมผัสด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่มันมาร้อนที่ใจใช่หรือหรือหรือถ้าสิ่งอย่างเดียวกันตัวอย่างที่สองของอย่างเดียวกันนะเช่นว่าคำด่าอย่างเงี้ยคำด่าไอหมูไอหมาอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าเราไปพูดกับเด็ก เป็นการเรียกเด็กก็เรียกด้วยความรักใช่แต่ถ้าไปบอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาโกรธนะด้วยพูดอย่างเดียวกันเสียงทำนองเดียวกันพูดออกจากปากคนเดียวกันแต่เด็กฟังเออเป็นเด็กก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ผู้ใหญ่ฟังเรารู้สึกเคื่องทางทั้งที่เสียงมากระทบอย่างเดียวกันหูก็รกระบวนการทำงานทางชีวภาพทางชีววิทยาก็อย่างเดียวกันเอ๊แต่ทาไมอีกคนนึงเดือดพร่านร้อนพร่าน อีกคนหนึ่งเฉยๆรู้สึกถึงความรักความเมตตาโดยสัมเนี่ยมันอยู่ที่จิตงไง<อ>นะในเมื่อปรากฏอยู่ที่จิตอารมณ์เป็นที่แล่นไปสู่จิตใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ uh, see, อินรีอินรีอ๋อค่ะพุทธพจน์ท่านฟังจําไว้ก็ดีนะคะอินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่แล่นไปสู่จิตใชตอนนี้ก็เลยได้ทราบเลยว่าตาหูจมูกเล่นกายใจนั้นพระพุทธองค์หมายความว่าอินทรีย์อืมอินทรีย์โดยศับเนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่นะความเป็นใหญ่ ไม่ใช่ปลาอินทรีย์หรือนกอินทรียอย่างนั้นนะ <laughs> คือคือปลาอินทรียหรือนกอินทรีย์เนี่ยเป็นใหญ่กว่าสัตว์ประเภทนั้นในประเภทของมันเองเขาก็เลยเอาไปตั้งชื่อนอกตั้งชื่อปลาแต่อินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่อย่างเช่นว่า อ, อ, อาหารยกมาเราจะใช้ตาดูเพื่อที่จะเอ้ยมันเปรี้ยวหรือมันเค็มหรือมันเผ็ดมากเผ็ดน้อยมันเค็มแบบน้ำปลาหรือเค็มซีอิ๊วหรือเค็มเกลือนะตาคุณจะดูได้แค่นิด ห, หน่อยจะบอกได้แต่ว่าถ้าจะรู้จริงๆต้องลิ้นเข้าไปแต่ นะลิ้นจึงเป็นใหญ่ในการรับรู้รสไม่ใช่ตาเป็นต้นอย่างนี้ตอนนี้เราก็ไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหตุสำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปมีผัสสะมันเป็นกิริยาถูกไหมคะเนี่ยถ้าคิดตามนะฮะ เ, ออเพราะว่าเหตุอาจจะเกิดอย่างอื่นข้างนอกค่ะพระพุทธ้ใช้ศัพท์นี้ว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเวทนาหรือว่าออความรู้สึกต่างๆเนี่ยมีผัสสะเป็นดนเกิด มีภาษาเป็นแดนเกิดคือภาษาที่เราบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่อะไรมันก็เป็นภาษาธรรมดาภาษาเนี่ยเป็นแดนเกิดนะของอารมณ์ต่างๆมันเกิดที่ไหนมันมาเกิดที่จิตตอนไหนตอนที่ภาษามากระทบจิตเนี่ยมันจะเกิดตอนนี้ค่ะเ <c oughs> วทนาทั้งหลายมีภษาษะเป็นแดนเกิดอืนอกนอจากที่ได้ตรัสไว้ว่าอินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่ด้านไปสู่จิตนี่ก็เหมือนกับ เป็นเรียนวิชาอะไรเฉพาะสักอย่างหนึ่งเช่นคล้ายๆกับวิช า, าการแพทย์จะต้องพูดว่าจิตแพทย์ก็เรียนแบบนี้หรือเปล่าจากพระพุทธองค์อันนี้เหมือนกับเป็นคู่มือการทํางานของจิตเลยนะคือบางทีเร า, เ, ราเครื่องมาใช้เครื่องใช้ไม้สา ย, อยต่างๆคุณซื้อคอมพิวเตอร์มาคุณซื้ อ, อ, อไมโครเวฟมาอย่างเงี้ยเขาจะแถมคู่มือมาอเงี้ยอันนี้คือคู่มือที่วิชธเาสอนว่าจิตคุณทำงานอย่างนี้นะคุณคลอดออกมาจากท้องแม่โผล่ออกมาเนี่ย มีกายมีใจกายใจคุณทำงานยังไงทราบไหมนี่รู้เท่านี้แล้วเพียงพอหรื อ, อยังคะที่จะนำไปสู่การที่งั้นก็ดับมันซะสิก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าร้อนร้อนเพราะอะไรนนร้อนอยูอย่ที่ที่ปัญญาของแต่ละคนคุณยมติยว ค, คือบางคนเนี่ยรู้กระบวนการความเป็นเหตุเป็นผลอันนี้คือเรื่องของเหตุเป็นผลล ะ, ะรู้แค่นี้เขาก็สามารถที่จะก้าวต่อไปได้แต่บางคนรู้แค่นี้ก็ยังไม่พอะฉะนั้น ด้วยความที่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพระเจ้าจึงสอนไ้หมดสอนไว้อย่างละเอียดนะถามแค่นี้ก็จะอธิบายไว้จนมันสุดว่าสุดมันไปสุดตรงไหนนะคือที่อธิบายไว้เนี่ยยังไม่สุดก็คือยังมีต่อไปอีกว่าสติเนี่ยเวลาที่พันธสิ่งหลายมากระทบปุ๊บก็จะแล่นไปสู่จิตนะจิตนี้ถ้าปรากฏ ว, ว่ามันไม่มีที่ตั้งที่ระลึกถึงมันก็จะวันไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบ แต่ถ้าอารมณ์ที่มากระทบนั้นคือภาษาก่อนนะแล้วเกิดอารมณ์ถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจจิตก็จะขึ้นพอใจลุ่มหลงมัวเมาพัวพันไปตามอารมณ์ที่เป็นผลของภาษานั้นแต่ถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ขัดเคืองนั้นจิตจก็จะขัดเคืองมีโทสะมีพยาบาตในตามอารมณ์นั้นที่เกิดขึ้นเป็นผลของภาษาทีนี้ที่ควรจะเป็นต้องเป็นยังไงนั่นจิตเนี่ยต้องเป็นที่เล่นไปสู่สติต้องเล่นไปสู่สติ สติคือที่ตั้งที่เราลึกถึงให้จิตมีที่ตั้งที่เราลึกถึงเหมือนกับเรือเวลาที่เขาจอดเขาต้องทอดสมอจิตก็ต้องมีหลักมีที่ตั้งนั่นคือสติให้สติเป็นหลักเป็นที่ตั้งของจิตเพื่อที่จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบนั่นเองพุทธพจน์ตรงนี้ก็คือจิตเป็นที่เล่นไปสู่สติต้องว่าอย่างนี้ถึงจะถูกเดนจด ไปนะคะเลยอาจจะโต้อตอบกับท่านชา้าสักนิดหนึ่งจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติถูกต้องเพราะดี๋ยวทนถือว่าพุทธพจน์นี่สั้นแล้วควรค่าแก่การที่จะจดจําน่าจะดีกว่าการที่ฟังแล้วก็ผ่านไปลยอยลอยจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติท่านฟังคะ่ะเมื่อฟังตามท่านเพรือเนี่ยเราอาจจะโอ้เรานี่ที่ผ่านมาแปลว่ามีสตินี่เองออืถึงได้เจ็บจีบ กรธจีบอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นทีนี้ไอ้มันมันก็เป็นหลายระดับนะคือคำสั้นๆตรงนี้แต่มีความหมายลึกซึ้งมากอย่างบางคนจีบขึ้นในใจละแต่ว่ายังยับยั้งทางกายทางวาจาได้แต่คือไม่ได่าเขากลับใช่ใช่อยู่จิต <c oughs> อออาจจะเผลอสติไปบ้างมันจีบขึ้นมาในใจเราเนี่ยมันร้อนอยู่แต่ว่ายังน้อยกายกับวาจาเรายังกลุ่มได้แต่ถ้าย่งคนบางคนที่เผลอสติมากไปกว่านั้นก็มีนะ คือดาปึ๊บ <Okay. S 1> ไม่ต้องคิดอะไรมากสวนกลับทันทีด้วยความเร็วประมาณเท่าแสงเพราะทันทีบางคนยิ่งแย่ไปกว่า น, นั้นอีกเผลอสติมากๆเลยนบมือก็ไปด้วยมันตีชั้นนิดเดียวสวนกลับทันทีด้วยมือทันทีไม่ใช่แค่ปากเฉยแต่เพ <Okay. S 1> ื่อนถ้าที่บอกว่าเราจิกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราเผลอสติร้อยเอร์ซมันก็ยังพอคุมได้อยู่บ้างในระดับการระดับวาจาแต่จิตอาจจะเผลอไปก็คอ <Okay. S 1> ่อยฝึกไปอย่างนี้ค <Okay. S 1> ่ะ คงจะตอบตัวท่านเองได้เลยเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆนะครัว่าเราจะมีความเร็วในการที่จะมีปฏิกิริยาต่อผัสสะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาถูกไหมคะใชได้มากน้อยเพียงใดอินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่แล่นไปสู่จิตเวทนาทั้งหลายมีผัสสะเป็นแดนเกิดนะคะคือความรู้สึกต่างๆก็พอผัสสะ เกิดขึ้นปุ๊บทีนี้แหละจะรู้ว่าจิตของเรานั้นเป็นยังไงคะถึงจะแล่นไปสู่เป็นที่แล่นไปสู่สติเนะะี่ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นจิตเราจะต้องฝึกให้มีสตินะเพื่อทีอ่เราจะได้รักษาจิตนะทำไมเพราะว่าสติเนี่ยสติจะเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตนะสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตวิมุตในที่นี้หมายถึงความหลุดพ้นนั้นะหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น ไม่ไม่ใช่ว่าหลุดพ้นถึงไหนว่าไปนิพพานมันมันก็จะไปได้อยู่แต่ในใ<ช>ระดับแรกๆเนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นฟังและเท่เลยนะคะถ้าสมมุติบอกว่าเราทราบความรู้จากพระพุทธองค์แล้วดังนั้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่ก่อนเราจะพยายามและแถมทำได้ซะด้วยว่าทำให้มีสติใช่ไหมคะใช่พอมีสติปุ๊บสติพื้น ไม่มีปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นทิศทางบวกหรือลบหรือไงคะงหรือว่ า, าเฉพาะทางลบทั้งบวกและลบทั้งอภิชาและโทมนัสค่ะอภิชาปแปล ว, ว่าอภิชาคือความเพ่งเลง็งความอยากได้ความลุ่มหลงในแนวแนวนี้นตโทมนัสคือความเศร้าโศกเสียใจความไม่พอใจอยู่ในเทือกนั้นค่ะก็จะทำให้เรานั้นไปสู่วิมุตติ<จ>วิมุตติ ขึ้นสวรรค์ไปเลยแปลว่าหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นๆ <c oughs> วิมุตเช่น ม, มีคนด่าเราก็ไม่โกรธไอความไม่โกรธตรง น, นั้นเนี่ยคือคุณหลุดพ้นจากความโกรธอย่างนี้นะ <c oughs> แล้ววิมุตมันยังมีต่อตรงนี้ว่าวิมุติเนี่ยจะเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานนีมันมีต่อตรงนี้ <c oughs> ถ้าคุณหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นหลุดพ้นจากอารมณ์นี้หลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นหมดคุณนิพพานเลยอะย่างนั้น <น>เข้าใจง่ายกันเลยนะคะวันนี้โอ้ <c oughs> นี่พุทธพจน์นะ <c oughs> แค่พูดสั้นๆสี่สี่วักนะ <c oughs> ตอากับปฏิภาชก ค, คนหนึ่ง <c oughs> นะ ท, <c oughs> ที่ที่แก้ความเห็นของเขาอะนะค่ะท่านฟังคิดเหมือนดิฉันไหมคะว่าอุ้ยวันนี้ฟังแล้วเข้าใจง่ายเป็นขั้นเป็นตอนถามเพราะถามท่านพรบูรณ์ว่าเพราะเหตุใดในที่เย็นๆสบายๆกับคนดีๆเราจึงเกิดอาการรุ่มร้อน แห่งจิตขึ้นมาได้ท่านก็ย้อนให้ถึงพุทธพจน์4บทดิฉันขอให้ท่านทบทวนอีกครั้งก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้จะได้เป็นเขาเรียกว่าคู่มือสาหรับท่านทั้งหลายในการที่จะดับความร้อนเหล่านั้นได้อบอนก็เริ่มจากอารมณ์ต่างๆที่มากระทบะก็พระธจชาก็าตัดว่าอินทรีย์เป็นที่เล่นไปสู่จิตพอจิตรับรู้ต่างๆแล้วพุทธพจน์บทที่สอง นะก็คือจิตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่สตนะิพอมีสติแล้วจิตของเราก็จะสบายจะดีกันได้สิ่งที่อธิบายก็คือสติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุติแนละ้วเมื่อเรามีความหลุดพ้นวิมุติหลุดพ้นเป็นก้อนเป็นต่อเราก็จะไปสู่นิพพานโดยอธิบายไว้ว่าวิมุติเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานแค่นี้ค่ะวันนี้มากเพียงพอที่จะใช้ไปช่วยชีวิตเลยนะคะเลยบาท่ารนรรมสถานของพระคุณท่านเพริยวุลเป็นอย่างยิ่งนะคะกลยบาทการธรมสถานค่ะ ทัี่เารคสำหรับต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้ ว, ลวนะคะเป็นเวลาของการที่มีท่านทั้งหลายไปที่วัดป่าดอนหายโสดอนธา น, นีเพื่อที่จะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมที่ทางวัดได้จัดให้มีสม่ำเสมอทุกๆเดือนเพื่อจะทำให้ไปฝึกสติกันนั่นแหละคะ่ะในวันพรุ่งนี้ดิฉันจะไปกราบเรียนท่านพิบู์ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตเรื่องเกี่ยวกับสติ ว่าจะเลยต่อไปถึงเรื่องสมาธิในสัปดาห์นี้เลยติดตามกันไปนะคะในรายการสนสนีสนทนาทางสถานีทีวครอบครัวข่าว f m ฟเอ็มรนแหละค่ะแล้วก็สุดท้ายทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่แล่นไปสู่จิตเวทนาทั้งหลายมีผัสสะเป็นแดนเกิดจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติพบกันใหม่พรุ่งนี้พุทธวสวัสดีค่ะ